ขอความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในร่มประโภธิยานกำลังนำเสนอทีฆะนักขัขสูตรคือเป็นพระสูตรที่พระุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ทีฆะนักขะอภิเษสนะปริภาชกซึ่งเป็นหลานของภาษาดิบุตร ในขณะนั้นภาษาริบุตรกำลังนั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปรษศดางของพระพุทธเจ้าก็ได้อนาซัยฟังแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนะฮะในวิสุทธก็ได้บรรลุมรรคผลพึงถือว่ามีความสามารถเป็นพิเศษคือสามารถจับฉวยเอาประโยชน์จากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนอื่นเนี่ย มาเป็นประโยชน์ได้เพราะปริยายของธรรมะที่จริงเนี่ยบางทีพระเทศคู่บางทีก็สนทนากันบางทีก็พิปรายกันอะไรต่ออะไรนี่บางทีก็วิพาควิจารณ์กันถ้าเราคิดจะหาประโยชน์เราก็หาประโยชน์ได้ด้วยกันถูกทุกฝ่ายแล้วแต่ว่าใครจะคิดเตอนนั้นเอง ประการต่อไปพระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องร่างกายนะเรื่องขันถาพูดง่ายว่าเรื่องขันสองขันรูปขันกับเวทนาขันขึ้นมาสอนแต่สมบับสำนวนเนี่ยฟังดูแล้วค่อนข้างยากเพราะว่าที่ขันกะอาคเวศณะนี่แกมีความกระด้างอยู่นะ แล้วก็มีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดตกลงว่ามีความเห็นอยู่สี่สามสามสามกลุ่มนะครคือหนึ่งสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดสองสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดสามบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจ ว่ที่จริงก็จะเป็นสี่เป็นสี่กระแสก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทการถกเฉียงในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันพูดถึงคนคนหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าดีคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีมันก็ทะเลาะกันพูดถึงของอย่างหนึ่งคนอย่างหนึ่งบอกเป็นของดีคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีมันก็เตียงกัน ทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยแม้แต่บางจุดก็เถอะความเห็นก็มหารงกันยากกันะทํำให้เกิดเป็นความขัดแยง้งแล้วออกมาจนถึงไปรูปการเบียดเบียนกันเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยกลายเป็นศึกสงครามขึ้นมามีการรบราฆ้าวกันกันอย่างเกิดลทัทธิคอมนิสต์ขึ้นมาในโลกเนี่ย เห็นชัดเจนว่าเป็นสงครามของทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่ต่างคนต่างก็ถือว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจนะว่าจะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นต้องใช้ระบบอย่างนี้แล้วต้องทำให้ได้ใครขัดขวางไม่ได้เลยก็ต้องต่อสู้การดีความหนึ่งบอกไม่ถูกทําอย่างนี้ไม่ถูกก็ขัดขวาง แต่วาก็กลายเป็นการต่อสู้กันเดี๋ยวผลท้ทายนี่มันก็หาข้ อ, อยุติไม่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าเรามองรวบไปเลยเวลาที่เขาไม่ดีก็ดีไปเลยโดยไม่ได้เลือ ก, กว่าตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นควรตรงนั้นไม่คว ร, รอะไรแต่ไรนี่ไม่ได้แยกแยะอย่างนั้นประชาธิปไตยดีก็ดีไปเลยไม่คิดแยกแยะเหมือนกัน เราไปให้สําคัญแกตัวความเห็นของตัวเองความเห็นของตัวเองเท่า น, นั้นต้องถูกต้องเนี่ยความเห็นของคนอื่นไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าอีดาไม่ว่าส จ, จังโมคะมันอย่างอย่างนี้เท่า น, นั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นปัญหาว่าทําไปทํามาในกิเลสก็ทุกข์ก็เกิด ให้ความมาตกอยู่ในทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อางนั้นก็ทรงยกเอาเรื่องร่างกายขึ้นมาประลบประสำนวนอย่างนี้เป็นํานวน บ, บ, บอกมาบ่อยที่สุดเราเจอบ่อยที่สุดเวลาพูดถึงร่างกายก็เอาเรื่องกายธรมธรมดาธรรๆนี่ขึ้นมาพูดรับสั่งว่าอคีเวสนะ ก, ก็ายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมของมาภูตรูปทั้งสี่มีมัรดาบิดาเป็นแดนเกิด เรินด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังโว้กฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ ด้วยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหวูฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโซเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนยอมละความพอใจในกายความเลื่อใหญ่ในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้นี้ที่จริงเป็นการสอนระดับวิปัสสนากรรมฐานนั้น ปานในการแสดงคือประการแรกคือรูปร่างกายเนี่ยเป็นที่ประชุมของหมหาภูตรูปทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟตอนนี้ยังไม่นับอากาศนะคือเรื่องแสดงาธาตุเนี่ยบางครั้งก็ทรงแสดงว่าชาตาตโยบริโสดูก่อนภิกษุทางหลายบุรุษบุคคลนี้มีาธาตุหนแสดงว่าแสดงเต็มที่ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสแสดงสีนะฮะแสดงสีไว้ก่อนกระดินน้ำลงไฟลักษณะทั้งหลายที่เป็นอาการของดินน้ำลงไฟในร่างกายทุนดินเช่นผมคนและควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอไหนกระดูกมา้ามปวใจตับปังปืดไตปอดไายใหญ่ไายน้อยหันก้อนหันไม้หานเก่าจนถึงมันสมองนะับ มันก็เป็นธาตุดินอาการที่เด่นนี่คือดินลักษณะใดที่แข้นแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้เช่นผมขนเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินทั้งร้อยนะฮะมีธาตุอื่นผสมอยู่ด้วยกันนะครัพูดถึงธาตุไหนก็จะถึงธาตุอื่นอยู่ด้วยมันก็ติดกันอยู่น่นะแต่ก็จะเอาลักษณะเด่นเข้ามาพูดมันเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมะเนี่ย เราสมมุติว่าเราเมตตาต่อคนคนเนี้ยแสดงว่าเรามีความพร้อมที่จะกรุณาจะมุติตาจะเบคกขาอยู่เลยธรรมะอีกสามประการไม่ปรากฏเด่นออกมาอาการที่เด่นคือเมตตาเราก็เรียกว่าคนนี้คือเมตตาหรือว่าสติสัมปชัญญะศรัทธาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเกิดขึ้นภายในใจเรา แล้วเราก็อาการอะไรที่เด่นละ่ะถ้าถ้าสติเด่นออกมาเราก็เรียกว่ามีสติแต่ตรงนั้นที่จริงก็มีสัมมัญญาอยู่มีความเพียรอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่แล้วก็มีขันติมีอะไรต่ออะไรอีกเป็นนั้นมากเพียงแต่ว่าลักษณะไม่ปรากฏเด่นชัดออกมาเท่านั้นเอง เหมือนใกล้ๆก็ความเป็นเป็นผมของเราเนี่ยเราไปโดนไฟเราจะเจอน้ํานะฮะเจอน้ําเจอไฟเจอลมเลยนั่นก็แสดงว่าในความเป็นผมเนี่ยต่างดินเขาเด่นแต่ว่ามีน้ำํำมีลมมีไฟอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เป็นประโยคที่ทรงใช้บ่อยเม่มารดาเป็นด า, ดาเป็นแดนเกิดแปลว่าชนกแปลว่าผู้ให้เกิดช น, นีแปลว่าผู้เกิดแล้วก็เจริญเติบโตมาด้วยอาหารอาหารในที่นี้ที่จริงนี่อาหารเนี่ยจะแบ่งเป็นสีประการนะฮะอาหารเนี่ยอาหารแปลว่าสิ่งที่นำผลมาหรือนำมาซึ่งผล ได้ แ, แก่การวิ่งกระหานอาหารที่เรากินเข้าไปทางปากนะฮะคือเคี้ยวแกะลิ้มดื่มยินเข้าไปเนี่ยเรียกว่ากาวลิ่งกระหานผัสสาหารอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้ แ, แก่การรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส แล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารคือเจตจำนงความจงใจความตั้งใจความมุ่งมั่นที่คือขึ้นภายในจิตแต่ในที่นี้เน้นไปที่กาวลิงกระหารอาหารคือคาเข้าอาหารที่เรากินเราดื่มเราลิ้มเข้าไปผู้ง่าเรารับประทานเข้าไปนะครภาษาไทยเราเล่นคำอยู่เยอะเลยดื่ม ถ้าพวกเป็นน้ำก็เรียกว่าดืม่มถ้ากินไม่มากก็ลิ้มหรือว่าชิมถ้าถ้ากินมากก็เรียกว่ากินก็สรุปว่าอาหารที่ผ่านลำคอเข้าไปแล้วละกันก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่ว่ามันเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูล คำว่าร่างกายเปลว่ากุอายะคือแหล่งที่ประชุมหรือแรงรวมของสิ่งส ก, สกรปรกสิ่งปติกูลทั้งหลายมันก็ต้องอบต้องขัดสีกันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเรานึกดูว่าเครื่องสําอางทั้งหลายเครื่องชําระจะล้างทั้งหลายเนี่ยมันทํากําไรมหาศาลนะฝรั่งเศสขายน้ําอบน้ําหอมอย่างเดียวนี่ก็รวยไม่รู้เรื่องอ ทำไมวาฒนารราทำไมจะต้องอบล่ะทำไมต้องมีน้ำอบทำไมต้องมีน้ำหอมล่ะพอร่างกายมันปฏิคุณมันน่าเกลียดโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการจุ่มแช่โดยพวกโพลหฮิตทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่น่ารังเกียจทั้งนั้นพอถึงจุดหนึ่งก็แตกกระจัดกระจายพลัดพรายไป น้ำไปสู่น้ำดินไปสู่ดินลมไปสู่ล ม, สลมอากาศไปไฟไปสู่ไฟอากาศไปสู่อากาศส่วนกระดูกก็เดี้ยวก็แจกแหลกกระจ ก, กระจายไปนะฮะเหมือนกระซากสัตว์ซากศพที่มันตอนตายอยู่นานๆนั่นนะนะที่เราถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้ดูง่ายๆดูตอนศพก็เผาก็จะจ ะ, จะเห็นได้ง่ายเผาไปไม่ไม่ทลายอย่างเหลือกระดูกอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง มันก็แสดงว่าร่างกายถึงจุดหนึ่งก็จะกระ จ, ระจายไปแล้วทรงสอนให้พิจารณาในแง่ของใจหลักคือนิจังทุกขังอนัตตานะฮะนิจังทุกขังอนัตตาก็อเอาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรู้มาอย่างไม่อย่างเรียกว่าเป็นวันที่ครบเจ็ดเดือนเก้าเดือนนะเก้าเดือน เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือนสามพอตกตนเย็นขึ้นมาก็มาประชุมสงฆ์ที่ประเวรวันเพราะงั้นก็จัตรุมาเก้าเดือนพอดีแล้วท่านที่ข้านกขาเองท่านก็เป็นนักบวชนอกศาสนาเพราะงั้นคำว่านิจจังทุกขังนัตตานิจตาทุกตาหนตาตาเนี่ยไม่ได้ใช้ แต่ว่าพูดได้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเหมือนอะไรล่ะเหมือนกับโรคมันมีการเสียดแทงเหมือนกับหูฝีมีการเสียดแทงเหมือนลูกศร น, นะที่เสียดแทงให้ได้รับความเจ็บปวดเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้อันนี้อาการกทุกข์นะอาการกทุกข์ เป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังลูกศอนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยก็คือลักษณะของทุกขตาความเป็นทุกข์ของสังขารทางกายทั้งหลายเป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโซเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่ตนนั่นก็คือความเป็นหน้าตาอนัตตาที่ทรงนิยามไว้เองนี่ก็นิยามไม่หลายนิยามตรงนี้เราจะเห็นว่ามีสี่นิยามด้วยกัน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 ความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้อำนาจของกายก็คืออำนาจของไงเนี้ยอะไรก็ตามผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ถือว่ากายด้วยกันพราอเราเห็นว่าเอาก็จริงมันมันเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลด้วยประการต่างๆมันก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำลัง จากนั้นก็ทรงแสดงเวทนาสามเวทนาสามนี่แสดงว่าพื้นฐานของผู้ฟังเนี่ไม่เก่งเท่าไรหรอกถ้าพื้นฐานของผู้ฟังสูงๆเนี่ยอาจจะเวทนาเก้าเลยนะฮะเวทนาเก้านี่ดูยากมากเลยเวทนาห้าก็ดูยากเวทนาสามนี่ดูได้ชัดคือสุขกับเวทนา ความรู้สึกเป็นสุขกายสุขใจทุกเวทนารู้สึกทุกกายทุกใจและอุเบขาทุกกมสุขเวทนาคือไม่มีลักษณะเด่นออกมาว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์คือจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่าสุ ข, ขก็ไม่ใช่รับสั่งว่าสมัยนัยได้เสวยสุกเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกเวทนาไม่ได้เสวย อ, อุกบมสุขเวทนา ได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นหมายความเวทนาสามอย่างเนี่ยเวลาเราเสวยจริงๆเราสัมผัสจริงๆลักษณะเด่นนะลักษณะที่เด่นออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าไม่จะทุกข์ไม่จะทุกข์เพราะในขณะนใดที่เสวยสุขเวทนาในท่ไมนั่งก็แสดงว่าไม่ได้เสวยทุกเวทนาไม่ได้เสวยทุกข์มันสุขเวทนา พอถึงยามสเสวยทุกขเวทนาก็เหมือนกันอาการที่เด่นออกมาก็มีเฉพาะทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยนั้นก็ไม่มีอาการของสุขเวทนาไม่มีอาการของอาทุกขมสุขเวทนาแต่ยามใดที่สเสวยอาทุกขมาสุขเวทนายามนั้นก็จะไม่มีสุขไม่มีทุกเหมือนกันนี่ก็คือลักษณะเวทนาที่เห็นว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นกระบวนการธรรมชาติทางจิต คือการประจบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกตาเห็นรูปหูกลางเสียงจมูกดวงจินเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นวิญญาณพอจากวิญญาณแล้วมันก็เป็นสัมผัสคือการกระทบกันสัมผัสแล้วอาศัยสี่อย่างนี่อาศัยอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเนี่ยกลายเป็นเวทนาแปลว่าความเสวยอารมณ์ ใช่ราชาสับใช่ด้วยนะครับแปลว่าสวยมันคือกินอารมณนั่นแหละแต่วอกฟังแล้วมันน่าเกลียดถ้ากินอารมณ์ในฟังแล้วน่าเกลียดมันก็สวยอรมณเป็นสุกตามเป็นทุกตามไม่จะทุกไม่จะสุกตามพวกนี้ก็เป็นเวทนาปรากฏเฉพาะแต่ละข้อในแต่ละขณะเป็นการให้ดูในแต่ละขณะขณะขณะขณะขณะก็ทียึบนะฮะ การดูขณะได้เนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนับดูขณะของจิตได้ขณะของเวทนาที่ปรากฏแก่จิตได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วพร้นก็สอนว่าเวทนาก็เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกเวทนาก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอนาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขรมสุขก็ตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นรักษงว่าดูก่านคีเวศนะ อริยสาวกเมื่อได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย, นย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกทุ ก, กเวทนาทั้งในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายความกำหนัดเพราะคลายกำหนัดเนี่ยจิตมันย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชาติวราชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วก็เน้นว่าอคิเวัฒนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครในโวหารใดๆที่ชาวโลกเขาพูดกันก็พูดไปตามโวหารเมืชาวโลกก็เรียกว่าโลกาณุวัตคือคล้อยตามเขาไป ก็ว่าอย่างนี้ก็เรียกอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือไม่ไปเถียงกันในไอ้นี่พอใจไม่พอใจบางอย่างพอใจบางอย่างไม่พอใจมันเสียเวลาเปล่าๆพร้อมที่จะพูดจาด้วยภาษาของชาวบ้านโดยไม่ยึดมั่นหรือมั่นในภาษาเหล่านั้นสมัยนั้นท่านนรทสารีบุตรนั่งถวายงานพอยู่เบื้องพระปฤิศดางของพระภูมิพระภาคเจ้า ท่านก็ได้มีความดำริว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจัดการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าประสุคตจัดการสลาคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านภาษารีบุตรได้เห็นตหนักเช่นนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากอานสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานเออส่วน ทันทีข้นักขะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมํานวนดวงตาเห็นธรรมท่านจะพูดเหมือนกันทุกแห่งว่าธรรมจากสุอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีข้านักขะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลลว้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ต่อไปก็เป็นคุณลักษณะของปะโสดับันนะครับท่านบอกว่า ลำดับนั้นทีขนะนักขะปริภาชกมีธรรมันเห็นแล้วมีธรรมันถึงแล้วมีธรรมันทราบแล้วมีธรรมันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแครงถึงความเป็นผู้แกล้กลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคาสอนของพระศาสดาได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก ภาษีของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนนีหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักสุจะเห็นรูปดังนี้พระสมณะโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉะนั้นเหมือนกัน แต่จากนั้นก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนาที่พึ่งเจริญลึกเป็นอุบาสกตลอดชีวิตนะฮะตั้งแต่บัตรานเป็นต้นไปนี่ก็เป็นธรรมเทศนาที่ทรงสแสดงเมื่อภาษาุตรบวชแล้วได้สิบห้าวันก็เป็นธรรมเทศนาที่แสดงแก่ติขณ า, า, ขามันเริ่มที่ความเห็นแล้วก็มาพูดทกายมาพูดที่เวทนา แล้วพูดถึงคุณสมบัติของพระยาบุคคลก็เป็นปริยายของธรรมะที่ทรงแสดงโดยมองผู้ฟังเนี่ยเป็นศูนย์เพราะแนวที่เราพูดว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรคือว่าเวลาเทศสอนคนพระพุทธเจ้าก็เอาคนแต่ไม่ถึงก็เอาเป็นศูนย์กลาง เอาตัวคนนี่เป็นหลักแต่เอาธรรมะนี่เป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางหมายความว่าทุกคนนี่ต้องปรับตัวเข้าหาธรรมะไม่ใช่ว่าคนจะแสดงความคิดความเห็นโลดพนจนทยานอะไรเขาว่ากันไปโดยโดยโด ย, โดยไม่ได้คำหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราเด็กเป็นศูนย์กลางฟังก็อธิบายหลายรอบแล้วยังไม่เข้าใจอะ่ะ เพราะจริงๆมันหลักวิชาการนะในเรื่องเหล่านั้นเนะีน่ยเช่นสองบวกสองเป็นสี่อย่างเงี้ยอันนี้นเป็นศูนย์กลางเด็กจะต้องเข้าใจตรงกับครูส่วนวิธีจะสื่อสารจะสื่อสารกันยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องฟังทั้งหลายใตร่มพ ร, ระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูรณในธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี